ก็อให้พวกเราตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลที่ว่าเป็นวันดีวันมงคลก็เพราะว่าพวกเราพร้อมใจกันมาทําความดีพระเจ้าตรัสว่าทําความดีเมื่อใดเวลานั้นก็เป็นเวลาดี เป็นเรื่องงามยามดีเป็นเวลามงคลวันนี้พวกเรามาจากทั่วทุกษารทิ์มีองค์กรต่างๆมาร่วมกันทําความดีที่วัดปามหาวันบางคนก็อยู่ที่มาจากชัยภูมิ บางคนก็มาไกลกับต่างจังหวัดต่างก็มีจุดร่วมหรือจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือตั้งใจที่จะมาทําสิ่งดีๆนะที่วัดตามหาวันในวันนี้สิ่งดีๆที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ถวายพระป่า ท, ที่สําคัญกว่านั้นนะก็คือมาร่วมใจกันปลูกป่านะ การรุ่นแรงลุ่งใจปูกป่านี่ถือว่าเป็นกองผ้าป่าอันหนึ่งนะแต่เป็นกองผ้าป่าที่ใหญ่ใหญ่กว่ากองผ้าป่าที่เราพุ่งถวายเมื่อสักครู่กองผ้าป่าที่เราถวายเมื่อสักครู่นี้ก็ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะแต่ว่าที่ใหญ่กว่านั้นแต่มองไม่เห็นตัวนะสัมผัสไม่ได้ด้วยมีนะแต่ว่ารับรู้ได้ด้วยใจแล้วก็เห็นได้ด้วยตา ก็คือการมาร่วมแรงร่วมใจกันมาปลูกป่าอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่มีอ น, นิสง์มากพวกเราชาวพุทธนะก็คงทราบดีแล้วว่าการถวายทานนั้นเป็นบุญนะแต่ว่ามีบุญที่พิเศษไปกว่านั้นนะ mm hmm. เช่นการปลูกป่า อันนี้ก็เป็นการทําบุญในการพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าบุญของผู้นั้นย่อมเจริญทั้งวันและทั้งคืนนะบุญที่เจริญนั้นเนี่ยนะะเจริญพอๆกับต้นไม้ที่เราปลูกหรือที่เรากำลังจะปลูกต้นไม้เี่มันก็โตทั้งวันทั้งคืนและถ้าเราปลูกต้นไม้นั้นนะบุญ ก็จะเจริญงอกงามทั้งวันทั้งคืนด้วยเช่นกันเพราะว่าต้นไม้ที่เจริญงอกงามก็จะเป็นร่มเงาเป็นประโยชน์กับผู้คนที่ทักอาศัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับสิงสารสัตว์นานาชนิดที่จะมาใส่ต้นไม้นั้นไม่ว่าจะเป็นร่มเงาหรือว่าเมล็ดหรือว่าน้ําหวานนะกระทั่งตีไม้คาบ ก็รุนแต่เป็นประโยชน์จากสรรพสัตว์ในธรรมชาติทั้งสิ้นประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้บุญของเราเจริญนะทั้งวันและคืนก็คือเรียกว่าเจริญทุกเมื่อเช้าวันทุกปีวัดป่ามหาวันก็จะมีจะเรียกว่าเทศกาลปลูกป่ปาก็ได้นะเรามีการปลูปกป่าต่อเรื่องกันมา12ปีที่จริงเนี่ยนายกนกว่านั้น นะแต่ว่าเริ่มทำกันจริงจังก็ตั้งแต่ปี47นะหรืออาจจะถอยหลังไปถึงปีสหสีห้าด้วยก็ทำมาตลอดนะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็มีการปลูกป่าเช่นเคยแต่ว่าปีนี้พิเศษกว่าปีก่อนๆ น, นะเพราะว่าอนอกจากผู้คนจะมากันล้นหลามนะจนแน่นขนัดสล า, านี้แล้วเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่านะ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะของการปลูกป่าแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญเพราะว่าป่าที่กำลังรอพื้นที่ที่กำลังรอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยปีนี้มันไม่ได้มีแค่10บ0ไร่50ไร่นะมันมีเป็นพันไร่นะเพราะว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมีไฟไหม้ใหญ่นะหลายท่านก็คงทราบดี ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันเผาผลาญทําลายป่าเป็นประวัติการก็คือเผาผลาญพื้นที่ประมาณสองสามพันไร่หรือสองในสามของพื้นที่ภูหลงแล้วก็ป่าชุมชนที่ทางวัดดูแลตั้ ง, แ, งแต่อยู่มานี้ก็ไม่เคยเจอไฟที่เผาผลาญภูหลงพื้นที่มากมายขนาดนั้นจะเรียกว่าเป็นการทําลายพื้นที่ป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูหลงเลยก็ว่าได้ เนะพราะแต่ก่อนไฟไหม้ป่าก็ประมาณสิบยสไร่หรือเมากก็เป็น100ร้อยไร่โดยเพาะในช่วง12ปีที่ผ่านมาก็ไฟก็แทบจะไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่เข้ามาก็ทําลายป่าได้ไม่มากนะเราก็ดับได้ทันแต่ปีนี้เนี่ยเด็กปจกัจจัยมันกระจุเหมาะที่ทําให้ไฟหรือเพลงิงเสาขรานพื้นที่ปา่าภูหลงแล้วก็พื้นที่ใกล้เพียงเนี่ยรุนแรงมากดับก็ดับไม่ไหวนะเพราะว่าน้ําก็น้อยนะ ตามภาษิตที่ว่าน้ำน้อยนะยอมแท้ไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการทำลายพื้นที่มากมายแต่ว่าในความในในคราะนั้นเนี่ยนะในความเลวร้ายเนี่ ย, นน ย, นนยมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ ผู้คนได้ทราบว่ามีการมีไฟเาผาผานป่าที่ทูดหลงนะผู้คนก็มาช่วยกันช่วยตั้งแต่มาช่วยดับไฟนะตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วนะบางคนก็หาน้ําหาท่ามาน้ําที่เอามาเอามามอบให้กับทางวันนี้ก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะอย่างทั้งล่างที่เราเห็นนี่นะก็เป็นเป็นผลพวงจากการที่ผู้คนมีน้ำใจนะมาช่วยดับไฟป่าดับไฟป่าเสร็จแล้วเนี่ย นะเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาท้อแท้นะไม่มีเวลาทียมาเสียใจเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็ตระหนักว่ามันในงานที่ต้องทําก็คือการื้นฟูป่าและสองอนที่ผ่านมาก็มีการื้นฟูป่ากันเป็นลําดับขั้นนะเช่นมีการหวานทั่วยอดทัวทั่วนฟะูแะเมื่อเดือนที่แล้วผู้คนก็มากันนะเป็นพัน เพื่อมาช่วยให้ทัวเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาเพื่อจะได้คุมหญ้าไว้นะเพราะว่าหญ้าเนี่ยในพื้นที่สองสามพันไร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงในฤ ด, ดูแล้งและนั่นก็หมายความว่าไฟป่ามันก็จะรุนแรงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็มีความจาเป็นต้องควบคุมหญ้านะเราก็คิดว่าการที่จะปลูกทัวเนี่ยเพื่อที่จะ แย่งชิงพื้นพื้นที่จากยา้าคาหญ้าพงนะมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดดีกว่าเราเป็นไปได้มากกว่าเอารถมาไถเอายาฆ่ายามาฉีนะอันนั้นเป็นวิธีที่อันตรายยอดทัวแล้วนนก็ตามมาด้วยการปลูกกล้วยนะอาทิตย์ที่แล้วก็ปลูกกล้วยกันคนก็มากันเยอะนะนะ0คนไดนะ้แต่ว่านั่นเป็นทั้นตอนแรกๆรําำดับต่อมาคือ นะวันนี้แหละนะเราจะเริ่มนะปลูกต้นกล้าเอาต้นไม้เนี่ยลงดินนะเพื่อที่จะขยายพื้นที่สีเขียวนะจากพื้นที่ที่มันแห้งหรือพื้นที่ที่ดำเป็นเท่าท่ายเราก็จะแปลงให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวไม่ใช่เขียวเพราะหญ้านะแต่เขียวเพราะต้นไม้และวันนี้ก็คือวันแรกนะของการปลูกป่าซึ่งก็จะมีการ ทยอยตามมาอยู่ยเป็นลำดับจนกว่าจะหมดฤดูฝนแต่ว่าวันนี้พิเศษนะไม่ใช่เพียงเพราะว่าภารกิจที่รออยู่ข้างหน้ามันเป็นงานใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือว่าเป็นการปลูกป่าที่มีคนมากมายนะมามากมายนะประมาณ3 0 0 4้0 5 0 0ห้ารอคนนะก็เรียกว่าคับข้างดยน้ำใจนะ ก็ทําให้เราเชื่อว่าอนาคตของภูหลงเนี่ยมีหวังน้ําใจที่สําคัญนะน้ำใจเนี่ยมันสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้อย่างที่ตมาบอกนะคราวที่แล้วเนี่ยนะน้ำน้อยนะมันก็เลยแพ้ไฟแต่ตมาอตมาช่วยเหลือว่าน้ําใจเนี่ยนะเอาชนะไฟทั้งหลายได้ไฟมันจะใหญ่มันจะเผาผลาญยังไงเนี่ยมันก็แพ้น้ําใจของพวกเราและวันนี้พวกเราก็ได้อ่า ได้มีน้ำใจมาให้กับป่าผู้หลงไม่ใช่น้ำใจที่เป็นตัวเงินนะอย่างที่เราได้ทอดภ้าป่ามสักครูนะ่น้ำใจที่มีคุณค่ากว่านั้นนะก็คือน้ำใจที่เกิดจากความเพียรพยายามลงทุนลงแรงอ่าออกออกเปี่ยวออกแรงจนจนเกิดเป็นน้ำเงื่อน้ำเงื่อนที่เกิดจากการปลูกป่าในวันนี้นะมันเป็น เรื่องมีความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าน้ํามนต์นะที่พระจะพร้อมให้กับพวกเราซะอีกนะเพราะว่ามันเป็นการทําความเพียรนะเป็นการใช้น้าพัก น, น้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยในการสร้างความดีและความดีที่ว่านี่นะก็คือการปลูกป่าอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าการปลูกป่าเนี่ยนะรวมทั้งการฟื้นฟูธรรมชาติการปลูกต้นไม้เนี่ยมันเป็นบุญที่พระเจ้าสรรเสริญ ต่ว่าไปแล้วมันเป็นยิ่งกุบบญานะีมันเป็นความพยายามในการที่จะรักษาธรรมด้วยการปลูก ป, ป่าการรักษาป่าเนี่ยเป็นอันเดียวกับการรักษาธรรมนะอันนี้ก็ได้พูดในมื้อเช้าเ้าที่ว่าป่าสุกโตว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยสัมพันธ์กับป่ามากตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่บุคคลผู้เป็นศาสดานะก็คือพระพุทธเจ้าชีวิตของพระองค์ตั้งแต่เกิดจนตายนะผูกพันกับป่าประสูตรพรงประสูตรใต้ต้นไม้จัดสรุใต้ต้นไม้แวดล้อมด้วยลมลมลมณีสถานมีลำทารมีธรรมชาติที่งดงามพระองค์ตอนที่เลือกที่จะมาบำเพ็ญที่ตำบลอู้เวลาเนี่ยก็เพราะเป็นที่ที่สงบสงัดร่มรื่นเป็นลมมณี นะและท่านก็เลือกเอาต้นโพธิ์ี่ยนะต้นหญิเนี่ยนะมาเป็นที่ที่บำเพ็ญภาวนาแล้วก็บรรลุธรรมตัศลุพระสัมมาสัมพุทธิยานทำให้มีธรรมะทำให้ทรงค้นพบธรรมะที่จะมาสอนสั่งแนะนำสรรพสัตว์และมนมุษย์ได้ตัศลุแล้วก็แสดงธรรมจนกระทั่งมีพระอระหันต์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกห้าองค์ก็ในป่าหลังจากนั้นก็แสดงธรรมเรื่อยมา ส่วนใหญ่ก็ในป่านะนอกวัดบ้างในวัดบ้างถ้าเป็นในวัดก็ก็เป็นวัดที่เป็นป่าคืออารามนะเวลุกวันเชตวันมหาวันนี้ป่าทั้งนั้นนะจนกระทั่งปฏิติภายก็ใ ต, ต, ต้ย้นไมาแต่เดียวกันพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามพระองค์ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเพื่อบาเพ็ญเพียรเจริญกรรมฐาน อาใจความสงบสงัดของตาของธรรมชาติที่วิเวกทำให้จิตสงบแล้วในที่สุดจิตก็เกิดปัญญาเรียกว่าจิตสว่างเห็นสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งสามารถที่จะยกจิตให้พ้นจากความทุกข์ได้และท่านเหล่านั้นก็นำเอาธรรมะเนี่ยมาสอนมาแนะนำมาบอกแสดงกับพวกเรานะแก่บรรพบุรุษของเราจนถึงวันนี้ ป่าอธรรมะของผู้เจ้าที่สือทอดมาตลอด 2,600 ปีเนี่ยนะก็อาศัยป่ า, าสายธรรมชาติเนี่ยนะเป็นสิ่งเกื้อกูลมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าป่านเนี่ยนอกจากจะเป็นต้นน้ำลำทานแล้วเนี่ยก็ยังเป็นต้นทานแห่งสายทานธรรมด้วยนะสายทานธรรมนะในพุทธศาสนาเนี่ย ก็รวนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นนะที่ธรรมชาติหรือป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธนะในเมื่อเรามุ่งจะรักษาธรรมก็ควรเห็นความสำคัญของการรักษาป่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะของพระที่อยู่ป่าที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่ามาโดยตลอดแต่ว่าสมัยนี้ยุคนี้นะ มันมีวิตติมันมีปัญหาเพราะว่าป่าก็ถูกทาลายลงไปเรื่อยๆนะด้วยน้ำมือมนุษย์นะจมารท่า น, นะเกิดปัญหาสิ่งววนล้อมตามมาวันนี้เนี่ยปา่าเมื่อได้รับภัยถูกคุกคามนะก็ควรที่เราชาวพุทธนะจะได้ลงมือทำนะเพื่อการฟื้นฟู ป, ปา่า ให้ตระหนักว่าการที่เราจะทําทในวันนี้เนี่ยนะมันไม่เพียงเพียงแค่การทําบุญหากยังเป็นการาช่วยรักษาธรรมให้เจริญนอก ง, งานเพื่อว่าเมื่อมีป่าแล้วก็จะได้มีผู้คนมา ป, นปฏิบัติธรรมจิตใจสงบแม้แต่คนที่ไม่มาปฏิบัติธรรมถ้าหากว่ามีความรุ่มร้อนนะมีความรุ่มระรุ่มใจมาอยู่ป่าก็จะได้พบกับความสงบเย็น แล้วก็สามารถจะตั้งสติได้เกิดเกิดปัญญาในการช่วยแก้กปัญหาชีวิตของตนได้ป่านั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะทั้งต่อร่างกายและจิตใจป่าไม่เพียงแต่ให้น้ําให้อากาศให้ปัจจัย4ี่แม้แต่สุขภาพหรือสุขภาวะทางกายทางใจก็อาศัยป่าใครที่ได้อยู่ใกล้ป่านะสุขภาพก็จะดีกว่าคนที่อยู่ในเมืองที่ห่างไกลป่า แล้วเคยมีการวิจัยพบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี1กิโลเมตรรอบป่านะโครคภัยต่างๆจะลดน้อยลงนะอย่างง้อชนิดเช่นโรควัวใจโรคเบาหวานไมเกรนโรคซึมเศร้านะรวมทั้งโรคแพ้ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของกายนะแต่เรื่องของใจก็เหมือนกันนะนี่คือเหตุผลที่ว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้พระแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมมา มาปฏิบัติอยู่ในป่านะเพื่อให้จิตใจเจริญนอกนามทั้งมีความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเพื่อที่จะสามาร ถ, นะ พ, าถพาจิตพาใจกับความทุกข์ได้ถ้าพวกเราเมื่อมาปลูกป่าในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้เสีดสละนะมีความตั้งอกตั้งใจการปลูกป่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะการปลูกป่าเนี่ยมันหมายถึงการที่เราจะต้อง เหนื่อยนะต้องลำบากเนี่ยเพียงแค่เดินจากนี้เนี่ยไปที่แปลงปูป่าเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วนะนะไม่ทันถึงแปลงปูป่าเลยก็ก็มีเหงื่ออาจจะเหนื่อท่วมตัวแล้วนะถึงแม้ว่าวันนี้จะแดดไม่แรงก็ตามแต่อย่างที่ตามาบอกนะก็คือว่าไอเหงื่อที่มันออกมาจากเนื้อตัวเราเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะมันมีอันที่สงยิง่งกว่าน้ำมนต์ซะอีกนะ มันจะช่วยทำให้จิตใจเราเจริญงอกงามและยิ่งถ้าเราเนี่ยรู้จักปลู ก, ก ป, ป่าวางใจถูกต้องเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เกิดความเจริญงอกงามในใ จ, จิตใจมากขึ้นที่นี้เราก็พยายามบอกผู้คนที่มาปลูกป่าอยู่เสมอนะว่ามาฟื้นฟูป่าแล้วเนี่ยนะให้ถือโอกาสเป็นการฟื้นฟูใจไปด้วยนะปลูกป่าแล้วเนี่ยก็ให้ปลูกต้นไม้ในใจด้วยนะ ต้นไม้ที่เราปลูกนะถ้าเราวางจิตวางใจเป็นนะไม่ทำให้ต้นไม้ในใจของเราเจริญงอกงามด้วยเช่นเวลาเราจะลงจะลงต้นกล้าเนี่ยนะเราก็ลองเช่ากาณนนะ <presum pt ing> บมม่มเพราะเมตตาจิตในใจเราในสมัยในเมื่อไม่ใช่ในสมัยเมื่อ เดือนที่แล้วเนี่ยมีโยมหลายคนนะเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมามาหยอดถั่วอัตอมาก็พูดอย่างนี้แหละแล้วก็มีโยมคนหนึ่งนะเวลาหยอดถั่วแกก็อธิษฐานนะบอกว่าลูกโตวไวๆนะนะอย่าให้ขอให้ตัวไวให้เจริญ ง, งอกงามให้พ้นจากนะอันตราย ให้การที่เราน้อมจิตแบบนี้มันทำให้เกิดเมตตาในใจเราก็อยากจะให้เราเมีเมตตาหรือแผ่เมตตาให้กับต้นไม้ที่เราปลูกแต่ละต้นด้วยแต่เวลาเราหยอดต้นไม้ที่อยู่ในมือเราลงสู่ดินเนี่ยนะก็ให้อธิษฐานในใจนะว่าก็ขอให้ต้นไม้เหรามีเจริญงอกงามงอก ง, งานอยูงไม่พอนะก็ให้เป็นประโยชน์ต่อต่อมนุษย์และต่อสัตว์นะที่มาอาศัยด้วย คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะลงต้นไม้เนี่ยก็จะมีภาถาลงปลูกต้นไม้สั้นๆง่ายๆนะพุทธทางพลาผลนกนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนะทำมังพลาผลนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานสังทางพลาผลนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานหมายความว่าต้นไม้โตเนี่ยก็ขอให้มันเกิดประโยชน์ให้ผู้คนได้รับประโยชน์นะสัตว์ก็ได้ประโยชน์ด้วย ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเมตตาจิตก็เจริญมุงทำงานในใจเรานอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยเราดูโอกาสเจริญสติไปด้วยนะวางอดีตวางอนาคตให้จรอยู่กับปัจจุบันนะน้อนจิตอยู่กับปัจจุบันนะให้เราปลูกต้นไม้แต่ละต้นด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะใจไม่วกแวกนะไม่ต้องกังวลเรื่องโทรศัพท์นะ ไม่ต้องหวงว่าใครจะถ่ายรูปเรล่ารู้เปล่าะนะ <t une> แล้วก็ไม่ต้องร้อยใครมาถ่ายรูปนะ <t une> เราหย่อนต้นไม้ลงไปด้วยความสึกตัวเต้วพร้อมเนี่ยต้นไม้แห่งสตินะจะเจริญงอกงามในใจเรานะแค่ทำสองอย่างนี้เลยนะต้นไม้แห่งเมตตาทำแล้วก็ต้นไม้แห่งสติก็จะเจริญงอกงาม ใ, ในใจเราก็เป็นนั้นว่าปลูกต้นไม้ไปด้วยนะปลูกต้นไม้ในมือเราไปด้วยเนาะปลูกต้นไม้ในใจเราด้วยนะแล้วสติย น, น ช, ช่วยเรานะ เวลาเหนือ่อยเวลาแดดร้อนเนี่ยถ้าไม่มีสติมันจะบ่นนะโวยวายทำไมแดดร้อนทําไมเพื่อไม่เอาอไม่เอาน้ําให้ทักทีจิตที่บน่นจิตที่โวยวายเนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นนะเราจะไม่ได้เหนื่อยแต่กายเราจะเหนื่อยใจด้วย ป, ปลูกปาเนี่ยถ้าเราปลูก ด, ดีๆนะมันเหนื่อยแต่กายแต่ว่าใจเบิก บ, บานนะนะหรือว่าแม้แดดจะร้อนนะมันก็จะร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเย็นทําได้นะถ้าเรามีสติ นะก็คือว่าให้มีให้มีความระลึกรู้ได้ทันนะเวลาเกิดอารมณ์นะอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดนะให้เรารู้ทันใจราใจมันบ่นนะก็ให้รู้ทันใจที่บน่นใจเนี่ยพออารมณ์เนี่ยพอมันถูกรู้ทันนะมันก็จะสงบลงนะใจที่กับเพื่อนถ้ามีสติรู้ทันมันก็จะนิ่งกำับเป็นปกติ นะ ป, ปลูกป่าแบบนี้เนี่ยนะเหนื่อยกายแล้วร้อนกายแล้วเนี่ยอย่าซ้ําเติมตัวเองให้เหนื่อยใจด้วยนะทําได้ไหมถ้าเรามีสติเนี่ยนอกจากเราจะไม่ซ้ําเติมใจแล้วนะใจเราเนี่ยจะกลายเป็นปิติจะกลายเป็นเป็นสุขขึ้นมาได้นะกายเหนื่อยนะแต่ว่าใจเป็นสุขนะกายร้อนนะแต่ว่าใจเย็นนะลองฝึกดูนะเพราะว่าการปู่ป่าเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน มันเป็นหลายอย่างนะเป็นทั้งการทําบุญเป็นทั้งการสื่อต่อาศาสนารักษาธรรมแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเนะ <c oughs> หนือยทั้งทีแล้วเนี่ยก็ให้เหนือยอย่างเดียวจะให้เหนือยสองอย่างนะและถ้าเรารู้จักทําให้เหนือยแต่กายใจนะเบิกบานเนี่ยนะมันก็ทําให้เราพบกับความสุขเราจะพบว่าความสุขที่เกิดขึ้นท่ามกลางนะความยากลําบากนี่เป็นไปได้ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่หลายคนก็ได้มาเรียนรู้ว่าโอ้ถึงแม้มันจะเหนื่อยนะแต่มันเหนื่อยกายแต่ว่าใจเป็นสุขนะใ จ, นใจมีความินดีใจมีความชื่นชื่นเบิกบานประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยในที่เราควรจะได้ประสบบ้างนะโดยเพราะคนที่ตั้งใจมาด้วยด้วยจิตสํำนึกเป็นจิตอาสานะจิตอาสาเนี่ยก็คือผู้ที่ต้องการทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําประโยชน์เ พ, เพื่อผู้อื่นเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นนะ ประโยชน์ก็จะกลับคืนมาสู่ตัวเราเองด้วยไม่ใช่เป็นชื่อเสียงไม่ใช่เป็นเงินทองแต่คือความสงบเย็นในใ จ, ใจิตใจเป็นความสุขเป็นความปิตินะครูเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขนะวันนี้เราก็มาเราก็มาให้ความสุขนะกับธรรมชาติมาคืนความสุขให้กับป่านะป่าตอนนี้กำลังเจ็บป่วยมากนะป่าที่เคยอ่ เลียงดูผู้คนให้น้ำนะให้อากาศนะแต่ตอนนี้เจ็บป่วยเพราะว่าถูกไฟเผาผาลาญเรากำลังมาคืนความสุขคืนความเขียวขจีให้กับตาผู้หลงอันนี้เรื่อประโยชน์ท่านทำประโยชน์ท่านแต่ก็สามารถจะนําประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นกับเราได้นะถ้าเราวางสิตวางใจเป็นก็คือทำด้วยใจที่มีเลืตาทำด้วยจิตที่มีสติ จริงลำพังความดีเนี่ยนะเมื่อเราทํำบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำนะที่คอยรดต้นกล้านในใจเราในใจเราก็มีต้นกล้า น, นะเป็นต้นกล้าแห่งความสุขต้นกล้า น, นี้เนี่ยอาศัยน้ําหล่อเลี้ยงนะไม่ใช่ลูก็กินเสียงที่อะไรอร่อยนะแต่คือความดีที่เราได้ทํำยิ่งทําแล้วมีเหงื่อมากๆเนี่ยเหงื่อของเรานี่แหละที่ออกมาตามตัวนี่แหละในด้า น, นมันก็จะกลายเป็นน้ําที่คอยลด นะต้นกล้าเห็นความสุขในใจเราให้เจริญเป็นต้นไม้ใหญ่จนกระทั่งกลายเป็นต้นโพลต้นไซที่ทําความร่มเย็นให้แก่จิตใจของเรานะการปจิตอาสาเนี่ยนะอันที่สองอย่างหนึ่งคืออันนี้นะไม่ใช่แค่ทำให้ปากกับคืนมาไม่แค่ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้คนมีความสุขแต่สุดท้ายปลายทางแล้วมันก็ทำให้จิตใจเราเป็นจิตใจเรามีความสุขเป็นคนที่สุขง่ายสุขง่ายเมื่อได้ทาความดีไม่ใช่ ว่าจะต้องสุพพกเพราะกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะหรือได้ไปเที่ยวห้างเท่านั้นอันนั้นมันยังไม่ใช่สุขที่แท้สุกที่แท้คือสุกที่เกิดจากการทําความดีเกิดจากการรักษาใจเป็นปกติก็อยากใช้พวกเราได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยนะได้ได้ประสบพบกับความสุขเหล่านี้ด้วยนะมันก็จะไป น, นานิสงก็เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูทั้งป่าภายนอกแล้วก็ฟื้นฟูรักษาใจนะชีวิตด้านในของเราด้วย อย่างที่บอกไว้แล้วว่าการที่เรามามาในวันนี้เนี่ยมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะน้ำใจที่หลั่งไหลเนี่ยมันจะอาตมาเชื่อแน่ว่ามันจะทําให้ปากคุโรงนี่ได้กลับ้นคืนมาได้นะน้ําน้อยเนี่ยแพ้ฟไฟก็จริงนะแต่ว่าน้ําใจเนี่ยมันสามารถจะเอาชนะไฟทั้งหลายทั้งปวงได้และวันนี้เนี่ยพวกเราก็มาช่วยกันนะมาแบ่งปันน้ําใจ นะเรียกว่าเป็นคลื่นแรกนะเป็นคลื่นะลอกแรกนะที่จะนำธรรมชาติความเสกจีกับผืนซู้ยผู้หลงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนะมีสายทานเห็นน้ำใจอีกหลายอีกหลายสายนะอีกหลายระลอกที่จะตามมาใครที่ว่างก็ขอเชิญนะในโอกาส ต, ต่อต่อไปที่จะประกาศนะสุดท้ายนี่ขอข อ, ข อ, อ้างคุณพรศิลปนะนักไตรนะอโมกุลผลทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภพละ เพื่อเป็นรอบปัจจัยในการทําความดีงามไม่ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาขอให้ความเพียรพยายในการทําความดีของเราและนําความสุขความเย็นใจมาให้แก่จิตใจของเราทําให้เกิดความเพียรในการทําความดีนิ่ขึ้นไปจนกระทั่งจิตไม่เพียงแตพืความสงบแต่ว่ามันเกิดความสว่างสามารถที่จะเกิดปัญญาภาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสริสารมีพระนิพพานในที่หมายโดยการทุกคนเท่าน